มาคะวันที่เท่าไหร่นะฮะวันมาคะวันที่สีม่มีมคะคราวหน้าเนี่ยจะพานั่งภาวนาฟังเทศตลอดคืนวันที่สี่กลุ่มมีนาวันที่สี่มีนาไปเตรียมตัวไว้พากันนั่งภาวนาฟังเทศตลอดคืน สลับสวดสวดธรรมจักสวดอาทิตตปริยยะสูตรสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรสวดอาทิตตปริยยะสูตรสวดอนัตตลัคนะสูตรสวดมหาสติปัฏฐานาสูตรนี่ที่ระบุไว้สามสี่สูตรเนี่ยสูตรยาวยาวจากนั้นแล้วก็มีสูตรอื่นๆ อ, อ, อีก เดี๋ยวไปหาเลือกดูไปเตรียมตัวไปปรับปรุงตัวเอาไว้ใครไม่เคยอยู่ตลอดคืนสองสามสี่ทุ่มไปแล้วก็ชักแง ะ, ะชักเข้าหาที่ชักเข้าหาสาถาหมอน <c oughs> สมัยครั้งพุทธกาลท่านฟังเทศทั้งคืน ท, ทั้งนั้นแหละ ไปฟังดูในชาดกแ ต, แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะตลอดคืนเท่านั้นแหละเราอยู่บ้านโพนอะ่ะรหลวงปู่เขียนนั้นพาทำตลอดนะมาคบูชาวิสาขบูชาหุ่นวัดดอยอจันแบนหลวงปู่เบนพาอยู่ตลอดทั้งคืนนะพาภาวนาตลอดคืน <c oughs> เดี๋ยวให้บอกกันต่อๆไปวันที่สี่วันมาคบูชาเนี่ยจะพาทำวัดจะพานั่งสวดมนต์จะพานั่งภาวนาจะพาทมวัดสวดมนต์นั่งภาวนากันตลอดทั้งคืนแหละอย่างน้อยก็เลิกกลับไปเอาผ้าคล้องก็แล้วกันแหละ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 เราก็จะดีกว่าเดิมไปเตรียมไว้ไเตรียมตัวอาไว้ใครอยู่สองทุ่มสามทุ่มก็ชักแงกๆ ง, ก ง, กงกใกล้จะตายดิน่นดิ่นหาสาถาหมอนนะอดนอนผ่อนอาหารหัดอดเอาไว้หัดผ่อนอาหารเอาไว้ถ้าอยากอดนอนได้ต้องผ่อนอาหารฉันอาหารเต็มแพร่ จะอยากอดนอนอยู่หมดทั้งคืนอดไม่ได้ดอกแต่ถ้าเราผ่อนอาหารเนี่ยอดอาหารหนึ่งวันสองวันเป็นต้นไปเนี่ยมันอยู่ได้ร่างกายมันไม่หนักหนอง <c oughs> มันไม่ทวงจิตทวงใจเท่านากับเบาสบายจิตใจก็ปลอดโปรง่งง่วงนอนมันก็ไม่ง่วงมันไม่ง่วงนะ มันมัมนไม่เหมือนเราไปรับทานอาหารเต็มแปรทุกวันรับทานอาหารเต็มแปรทุกวันร่างกายมันหนักมันหน่วงมันเหน็ดมันเหนื่อยพาเวียนเทียนด้วยพาเวียนเทียนแล้วก็พา ทำวัดสวดมนต์แล้วก็พูดคุยอบรมกันตามสมควรนั่งภาวนาสลับไปกับสวดสูตรสำคัญสำคัญเลอธิตะปริยายสูตรธรรมจักรกับปวัฒนาสูตรอนัตตลกคณะสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรหนังสือมหาสติปัฏฐานของเราเห็นมีไหมใครเห็นมีเหลือบ้าง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 กรู้ว่ารักจิตหายรักกรู้รู้ว่าหายรักจิตราคะกรู้ว่าราคะจิตหายราคะกรู้ว่าหายราคะจิตโลภกรูว่าโลภจิตหายโลภกรูว่าหายโลภจิตโกรธกรู้ว่าโกรธจิตหายโกรธกรู้ว่าหายโกรธนีพุทธิยถาสอนให้เราพิจารณาเราจับจิตเราจับยาก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 เสริมไปกับกิเลสไม่รู้สึกตัวนั่นลหละเกิดหลงของความอารมณ์ของความหลงเราจะทันมันได้ต้องเมื่อเราเจริญสตินี่แหละเจริญทันทันยังไงจิตโลกมันมีความโลบอยู่ที่จิตท่านเองเรากำหนดจ่อไปที่จิตดูโอ้จิตมันมีความโลบมันมันอยากไดอ้อย่างนั้นอย่างนั้นนะพอเราจ่อเข้าไปแล้วก็ก็มันก็ตื่นตัว มันเตือนตัวไอ้ความหลงก็หายพอความหลงมันหายมันก็รู้สึกมันก็รู้สึกตัวโอ้หลกบโอ้รู้สึกตัวโอ้หลกโกรธตาดําตาแดงเสริมมันไปเสริมมันไปกับความโกรธถึงอกเลิกเกินถึงใจเลิกเกินสักใจเลิกเกินน่ะ่ะโกรธตาดําตาแดงนั่นแหะหลงใช่ไมมันหลงหลงไปเสริมมันน่ะหลงไปเสริมกับความโกรธ ดำตาแดงหลงพอเราเจริญสติพระโอ้โกรธสติเราทันสติคือความระลึกได้ระลึกระลึกรูกกก้มันโกรธพอระลึกรู้แล้วเอาความหลงมันก็จางไปเห็น ไ, ไหมความหลงกรจางไปความรู้สึกตัวมันก็ตื่นขึ้นมามันก็ดึงขึ้นมาดึงจิตดวงนั้นให้อยู่ในปัจจุบันขึ้นมาอ๋อจกักจั่วรู้รู้ว่ามันมันโกรธอ๋มอมันหายไปแล้ว ในขณะที่โกรธสมมุติรู้กำลังกำลังโกรธปั๊บเราระลึกรู้ปั๊บโอ้โกรธสติกันหมดระลึกระลึกรู้ว่าโกรธแต่อย่าคิดว่าเราโกรธกันแล้วกันดูไปที่กิริยาการของความโกรธะพอสติระลึกรู้ทันปั๊บความหลงมันก็บางไปเบาไปหายไปความโกรธมันก็หายไปทําความรู้รู้ว่าเออโกรธหายไปแล้ว โอ้เดี๋ยวนี้กำลังโกรธโอ้โกรธหายไปแล้วโอ้เดี๋ยวนี้กำลังโลภอ้โลภหายไปแล้วโอ้เดี๋ยวนี้กำลังมีความกำหนัดราคากับอะไรก็ตามแต่โอ้จิตกาลังมีความราคะยังมีความกำหนัดโอ้หายกำหนัดแล้วเรารู้ที่ความหลงมันละเอียดขนาดไหนมันกลมกลาวจิตใจของเร า, เ, ราเคลื่อนไปกำหนัน ก็เรายอมเป็นลูกสมุนมันยอมเป็นสมักพักพวกกมันเพราะเราไม่มีกําลังไม่มีกําลังของสมาธิไม่มีกําลังของสติไม่มีกําลังของสมาธิไม่มีกําลังของปัญญาเราก็เลยยอมเป็นทากมันตามหลังมันต้อยต้อยต้อยสนุกเหลือเกินเพลินเหลือเกินสนุกเหลือเกินเพลินเหลือเกินสักหม่หนึ่งความทุกข์ก็ตามมาทุกโกรธทุกเกลียดทุกดาทุก ปากร้ายให้เขาเดี๋ยวเขาก็ปากร้ายให้คืนอ่ะอประทุสร้ายเขาเดี๋ยวเขาก็ประทุสร้ให้คืนเอาพยาบาทเขาจองเวรเขามีสมัครพรคพวกเล่นงานเขาเขาก็มีสมัครพรรคพวกเล่นงานเราเดี๋ยวก็ทุกคืนเรื่องเวรเรื่องไัยเรื่องบาปเรื่องกรรมเหล่านี้มันมาตรงนี้แหละมันมาพร้อมกับความหลงของเราเนี่ยแหละไม่ทันมันเนะี่ยไม่ทันมันเหนื่อยไหม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 เราเราลื่อนึกได้ตั้งตัวตั้งเนื้อตั้งตัวได้นี่คือคณะใหม่มันเกิดขึ้นแล้วคณะก่อมันก็ ถ, กถูกถูกตัดไปแล้วจิตของเราเกิดดับเกิดดับเกิดดับกับการวิ่งรับอารมณ์อยู่อย่างนี้เราพยายามศึกษามาที่จิตเจาะมาที่จิตดูเราไปดูไปฟังไว้หลังนะไว้หลงงังพวกองโปคณะอาจารย์นิการเส่นเขาพูด ถ, ถึงเรื่องจิตอพูด ถ, ถึงเรื่องจิตจิตคือพุทธะ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 ไม่มีกิตสยางก็เหมือนต้นเสาเหมือนกบเสานะเหมือนโคนเส า, เ ห, นนสาเหมือนดินเหมือนอิดเหมือนปูนเหมือนอะไรที่ที่อยู่เกี่ยวข้งของกับเรานะี่มันไม่รู้สึกมีความสุขความทุกข์อะไรอโดยเหตุที่เรามีจิตตัวเดียวนั่นแหละทําให้เราทุกข์วุ่นสรพัดอยู่เดียวนี่นะ่ะทําให้เราปล่อยทุกข์เสริมไปกัำมันอยู่นี่แหละกิริยาการที่มันเสริมกำมานให้เรารักให้เราชัง ให้เรากำหนดให้เรายินดีมีราคะมีลูกมีผัวมีมีเมียทำมาหากินทุกอย่างลำบากอิจฉาริสยาทะเลาะเบาแวงผิดใจกันไม่ถูกใจกันสรตพัดความทุกข์ทั้งหลายตามมาเพราะอะไรก็เพราะใจดวงเดียวนี่แหละผู้ที่จะตั้สรู้เป็นพระพุทธเจ้า อ, อาศัยใจดวงเดียวนี่แหละ เพราะฉะนั้นใครเห็นจิตคนนั้นเห็นพุทธะท่านจึงว่าตัวพุทธะคือผู้ตรัสรู้พุทธะคือผู้ตรัสรู้เราอย่าไปคิดว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าก็แล้วกันอานุพุทธะอ น, นุพุทธะเนี่ยคือผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเห็นไหมอนุพุทธะที่เขาเขียนไวอ้อ น, นุพุทธะแปดสิบเนี่ยผู้ที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกที่ท่านตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า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 จะปราปปรถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปบอกใครไปสอนใครบรรลุมาแล้วแตสรุปมาแล้วก็ต้องสอนสัตว์สอนมนุษย์สอนสัตว์ที่มีจิตวิญญาณมีความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องไม่ไม่สอนก้อนหินต้นเสาดินน้ำลมฝอไม่สอน สอนสัตว์ที่มีจิตมีความรู้สึกนึกคิด ร, รู้จักรู้สึกสำนึกดีชั่วเนี่ยสอนสอนพวกนี้ต่างหากเพราะพวกนี้แหละมีพุท ธ, ธะขึ้นมาแล้วพุท ธ, ธะมันไม่บริสุทธิ์มันมีกิเลสเคลือบแฝงมาด้วยมันก็ไปก่อทุกข์ก่อโทษก่อเวรก่อภัยก่อบาปก่อกรรมทุกสรรพดูเถอะทุกข์ในหัวใจของใครบ้างมีความทุกข์อยูน่นอกจากนั้นแล้วไ ด, ได้จิต จิตนี่มันมันแสวงหาที่เกิดมันก็ได้กายใช่ไหมก็มือนอย่างพวกเราเนี่ยเรามีผู้รู้เรารก็มาได้อัตภาพร่างกายก็เพราะวิบากกร ม, มันมีอยู่ที่จิตดวงนั้นแหละจิตที่มันดิ้นตามอำนาจของตัณหาน่ยมันก็สอบมันก็สแสวงหาเสาะไปเสาะมาสะแสวงไปสแสวงมาด้วยบุญด้วยกรรมมีวาสนาบารบมีพอจะเป็นมนุษย์ก็บัตรมาเป็นมนุษย์เนี่ยเห็นไหมต้องมองแต่งเมงเ่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายอย่างเนี่ย เป็นมนุษย์ได้มนุษย์ขึ้นมาแล้วเป็นยไงแล่วยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดได้อะไรได้มีอัตภาพร่างกายประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเกาะกลุ่มด้วยอำนาจของกรรมท่านดินน้ำลมไฟอันนี้มีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีอาการสามสิบสองอย่างที่เราสวนมอพี่มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก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 โอกาสดีนาทีทองของกรรมกรรมไหนที่มันจะเล่นงานได้มันกับความมั่งเหมือนสนุนัขไล่เนื้อนเนื้อตัวไหนที่มันอ่อนแรงปับบ๊บกกสุนัขคาบกลับมากัดฉี่กินซ้ํานานคือกรรมให้โทษละเวรให้โทษกรรมให้โทษมีความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกอย่างลาบากเพราะอะไรก็เพราะมีผู้เดียวนี่แหละพลอขึ้นมาอืม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 ก็ลุยหน้าตะพืชเดี๋ยวเจอร้อนเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวแสบปวดร้อนครวนครางปางตายแล้วก็ตายชักดิ้นชักงออยู่นั่นนันบริจาทนทอนศทางเลยนะันไม่เดินความเจ็บความปวดอะนะมันทิ่มแทงมันแผลงทิดเดดแผลงสอนแผลงหอกแหลนเหลา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 สร้างบารมีมาจนได้ตัดสรู้เอาวิชาการที่พระองค์ตัดสรูนะ้นั่นแหละมาบอกมาสอนเราเออที่เราเกิดตายเกิดตายเกิดตายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนก็เพราะเรามีกิเลสตัณหาอาวิชชาในหัวใจนะท่านสอนว่าพเรามีกิเลสมีตัณหามีอาสะวะในหัวใจอเวลามันแสดงกิริยาความโลภแสดงกิริยาความโกรธ แกรยาอิจฉาทิศยาพยาบาทราคะตัณหานี่คือพิษสงของมันพอแสดงออกมาแล้วเราก็หลงเคลิ้มไปกับมันสนองตอบขอมันสะใจในขณะที่ทำเวลาล่วงเลยมาความทุกข์ตัวไหลมันก็ให้ให้โทษสะใจของกิเลสอีกเหมือนกันมันสะใจกันไปสะใจกันมาก็อยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิน้นเห็นไหมเข็ดลาบไหมเวลาความทุก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 เขาพยายามบีบบังคับให้เป็นไปตามใจหวังของเขาเราก็พยายามบีบบังคัาเปลี่ยนไปตามใจหวังของเราทะเลาะบอกแย่งฆ่ากันคนในโลกคนทั้งโลกมันก็ไปด้วยเหตุอย่างนี้เองนี่พิษสงของความโลภความโกรธที่มันมีอยู่ในหัวใจอวิชชาตันหาอุปาทานมันมีอยู่ในหัวใจอุตตยานท่านจึงสอนให้พวกเราศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา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 หรือไม่ก็ดูแต่ลมอย่างเดียวก็ได้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นกลั่นลมหายใจลมหายใจละเอียดยังไงก็ให้กำหนดรู้หมดนี่คือกิริยาการหรืออารมณ์ อารมณ์ที่มากํากับเพื่อให้จิตที่มันสร้างไปตามตันหานให้มันหยุดให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันหยุดให้มันชะลอให้มันนิ่งอืโดยมันหิวมันกระหายตามอํานาจของกามัตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาในในหัวใจของจิตดวงนั้นแหละมันสร้างไปไม่รู้จะหยุดไม่รู้จะจบพระเจ้าจึงเอางานมาให้ทําให้จิตดวงนั้นมันอยู่พุดพุทโธพุทโธพุทโธ นี่คือแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระทธเจ้าเข้าไปเล่นงานไอ้สิ่งที่เป็นโทษที่มันแฝงมากับธาตรู้ผู้รู้ของเราเนี่ยผู้รู้ของเรามันไม่บริสุทธิ์มันมีสิ่งที่เป็นโทษแฝงมาด้วยเคลือนมาด้วยพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีนี้แหละให้พวกเราจัดการสมรัตรรมสามารถทําจิตให้ได้รอบความสงบไม่เดือดไ ม, ไม่ดานไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัส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 ควนี้ประเภทรับสรู้เร็วรู้บรรลุบรรลุธรรมเร็วท่านสอนให้สีของท่านน่ยเชิญปัญญาควบคู่กันไปกับสมาธิปัญญาควบคู่กันกับสมาธิที่พระพิทธาของเราสอนที่เทราวาตครูบาอาจารย์เราสอนมาก็คือเรามีสติเรามีสัมผััญญาและเรามีอาตาปีเนี่ยขณะของจิตของเราที่เราอยู่ในกิริยาการเหล่านี้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 ดึงได้ชักได้ลากออกมาได้ลากออกมาได้สติมาสัมชัสโนอาตาปีอันนี้เป็นหลักในมหาสตินะมหาสติปัฐานมีสติแท้ที่จริงสมาธิที่พุทธเจ้าสัสงสอนเนี่ยสมาธิอันนี้ที่ที่ที่ทเรียกว่าสมถตสมัตที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยคือสมถตที่พร้อมโดยสมาสพร้อมโดยสติพร้อมโดยสัมผัสัญญะพร้อมด้วย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 ในเมื่อเราปิดรูทั้งหมดอ่ารูเหมือนอย่างที่ท่านเทียบจอมปลวง่ะมีมีมีอยู่ห้าห้ารูหกรูเนี่ยท่านให้ปิดหมดห้ารูนะให้ให้ปิดหมดให้จ้องอยู่กับรูเดียวเนี่ยห้าทั้งห้ารูท่านให้ปิดหมดให้จ้องอยู่กับรูเดียวสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันมันโผล่มให้เราเห็นอ่ามันจะออกไปรูนั่งก็ออกไม่ได้รูนั้งมันก็จะออกไปไม่ได้รูนั้งมันจะออกไปไม่ได้มันก็จะมาออกรูที่เราเปิดเอาไว้นี่แหละ เราต้องการจับเห e er. ี้ยมันมีรูออกห้าหกรูเนี่ยท่านท่านเทศอุปมาเอาไว้ท่านเทศอุปมาเอาไว้เหี้ย er, มันอยู่ในรูอยู่ในจอมปลวกนั่นมันมีรูออกหกรูรูหกรูนี่ก็คือรูตาหูจมูกลิ้นกายใจนในขณะที่เราจ่ออยู่ที่ใจมันก็เท่ากับเราปิดรูปิดรู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 โผลมาก็ฟาดคอากาดแม่มันโปรมาก็ฟาดคอากาดลูกมันโปรมาก็ฟาดคอขาดนี่วิธีการที่พุทาธเจ้าท่านสอนเพราะฉะนัะ้นจิตดวงเดียวมีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าเราปล่อยไปเราที่เราไม่มีวิธีการดูแลจัดการอาวิชาตันหาวปาฏฐานเอาไปถลุงทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเอาแต่ทุกแต่โทษมาให้เราทําหากินไปวันวันทำไปมือกับทาไปอ มือก็ทําไปจิตก็คิดล่องลอยเรื่อยเปลยไปอยากได้นุ่นอยากได้นี่นึกรักนึกชังนึกโกรดนึกเกลียดเครียดกับคนนั้นเครียดกับคนนี้สารพัดตัวที่หลงไปกับจ้ามำนาของความหลงโมหะกับเจา้าอำนาจของอวิชชามันกลอมจิตของนั้นตกเป็นทาสของมันมันเอาไปใช้งานทุกวันทุกวันทุกวันหลงไหมเราหลงแล้วลลมันหลงกิริยาอาการความหลงเหล่านี้ทุก ทำให้เราได้รับความทุกข์ทุกข์หรือไม่ทุกข์เวลาท่านประสบในหัวใจท่านท่านทุกข์หรือไม่ทุกข์มันน่าเข็ดหน้าหลาบหรือไม่หน้าเข็ดหน้าหลาบสนุกแล้วเกินเพลิดเพลินแล้วเกินซากใจแล้วเกินอย่างนั้นเลยอ่าเลือดเยิ้มไหลอาบตั้งแต่หัวมาหมดเมื่อหมดตัวงามแล้วเกินงามแล้วเกินเงือบเลือดสีแดงแล้วเกินงามแล้วเกินเอาลองดูสิอ่าใครไม่ยอมเข็ดใครไม่ยอมหลาบอชาติมนุษย์ ได้ยินฟังธรรมะของรูปพระเจ้าถือเป็นหลักเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเกตเพื่อลาบเพื่อเอาไปปราบเอาไปปรามกองทุกข์ในหัวใจไม่งั้นแล้วราขาดทุนศูญดอกที่เรียกว่าเหยียบแผ่นดินผิดเหยียบแผ่นดินผิดนี่แหละไม่สนใจเรื่องอารเรื่องธรรมเหยียบแผ่นดินผิดเหยียบแผ่นดินผิดมันตกไปไหนหนพลาดตกไปหลุมเอเวจีมหานรกหนอนเอาสิไปทุกข์ทรมานขนาดไหน กีกลับกีการกว่าจะพลอขึ้นมาเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอำนาจไม่มีวาสนาไม่มีอะไรเป็นสง่าราศีเลยอย่นันอ่ะสัตว์ในอเวจีมหานรกเราไม่ต้องไปดูในโลกนั้นกันตามเราดูในโลกมนุษย์เราเนี่ยเราดูสัตว์ที่มันทุกข์ทรมานตกทุกข์นยากเราดูคนที่ทุกข์ทรมานตกทุกข์ด้ยากเราดูเอาซินี่เราดูเถอะ เราไม่ต้องไปดูในโลกสันนรกมีหรือไม่มีแค่ในโลกมนุษย์เองเราก็น่าเข็ดหน้าหลา พ, พอแรงแล้วแหละอืนอกจากเราไม่สนใจท่านแหละเอาหูไปนาเอาตาไปไร่สบายเฉยโอ้เลือดงามเหลือเกินโอ้เลือดแดงเหลือเกินงามเหลือเกินระยะระยะแพรวพราวเนี่ยนี่นี่แหละท่านเรียกว่าเห็นกงจับเป็นดอกบวกัวงามเหลือเกินงามเหลือเกินมันกัดหัวจนจะขาดนั่นอสมัยหนึ่ง ป, ปาดหัวขาดแน่ยัไงไง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 พุทธจ้ท่านจึงพยายามสอนให้เอาโทษเหล่านี้ออกโดวยวิธีปฏิบัติสงบระงับด้วยสมถะเห็นไหมทําจิตเห็นรความสงบอแล้วก็พิจารณาจ่องดูมันสงบแล้วมันเหลือช่องเดียวอยู่กับจิตจิตยู้รู้อยู่รู้รู้อยู่เฉพาะจิตอนุสัยกิเลสภายในจิตที่มันยังไม่หมดเดี๋ยวมันก็โผล่ออกมาให้เราเห็นเหี้ยมันจะออกช่องนั้นก็ไว้ได้ออกช่องนั้นก็ไม่ได้ออกช่องนั้นไม่ได้มันออกมาหากิน มันไม่มีช่องออกมันก็ออกช่องที่เราจดจ่ออยู่นี่แหละออกโผลมานะโผลมาก็จับโผลมาก็จับโผลมาก็จับจับไปฆ่ากินจนหมดนะฮะจับเหี้ยได้จับเหี้ยไปฆ่ากินจนหมดจับอวิชชาตันหาอุปาทานที่มันออกมาที่มันออกมาผ่านเงื่อมือของสติเงื้อมือของปัญญาที่ บำเพ็ญเพียรตั้งใจบำเพ็ญเพียรกำหนดจดจ่อคอยเล่นงานมันอยู่จับได้หรือไม่ได้เราดูฟังอุ ป, ปมาอย่างนี้แล้วแล้วไปกำหนดจดจ่ อ, อพิจารณาดูจับได้หรือไม่ได้เห็นหรือไม่เห็นพิจารณาได้หรือไม่ได้ดูปฏิชิจิตของเราเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมนี่เราพูดไปถึงตรงนั้นเลยก็ เ, เลยไปติดแงะอยู่ตรงนั้นขยายความตรงนั้น เอาละพอสมควรกับเวลาแล้ววันนี้เนี่ยวันนี้เกลืน่นเกลนนะมาคะวันที่สี่เนี่ยสี่มีนาเนี่ย <c oughs> ไปเตรียมจะเตรียมไปฝึกฝึกซ้อมๆอมยู่ทั้งคืน่ะฟังเทศทั้งคืนพาสวดทั้งคืนฟังเทศทั้งคืนพานั่งภาวนาทั้งคืน่ะวันนั้นอาจจะเลิกใกล้ๆจะอารุณขึ้นนิดหน่อย <c oughs> เพื่อไปเอาผ้าเอาอะไรแค่นั้นแหละอาจจะที่ห้าอย่างเงี้ย ปีห้าเราก็ทำวัดทำวัดเสร็จสวดมนต์เสร็จแต่แท้ที่จริงเราก็มีผ้าครองติดตัวมาอะไรมันดี <c oughs> อ่อาวันนี้เอาแคน่นี้